วันนี้เป็นวันศุกร์ที่แปดพฤษภาคมพุทธศักราชสอง3ห้าร้ยหกสิบสามเป็นวันที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะช่วยบรรเทาความวุ่นวายใจต่างๆให้ลดน้อยลงไปตามลำดับให้ใจเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายเพิ่มมากขึ้นลดอุณหภูมิความร้อนของใจให้น้อยลงโดยเฉพาะช่วงนี้ เรามีเหตุการณ์ต่างๆที่มาสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากเริ่มต้นด้วยความร้อนที่เกิดจากโรคระบาดแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาจากการมีโรคระบาดทำให้เรา การทำอาหากินของพวกเราแทบจะหยุดชะงักไปทำให้รายได้ลดน้อยลงไปทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทำให้คนตกทุกข์ได้ยากลำบากอดยากขาดแคลนต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจของ พวกเราที่ถูกผลกระทบเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาในใจถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะดับความรุ่มร้อนใจต่างๆไปได้เลยถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้า เราจะสามารถดับความรุ่มร้อนใจต่างๆทำใจของเราให้เย็นให้สบายท่ามกลางเหตุการณ์ที่วุ่นวายใจต่างๆได้เหมือนกับอากาศที่รุ่มร้อนในตอนนี้พวกเราก็สามารถทำให้อากาศเย็นได้ด้วยการติดเครื่องปรับอากาศ เข้าไปในห้องในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศความเย็นก็จะเกิดขึ้นมาความร้อนที่อยู่ภายนอกบ้านก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในบ้านได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับเครื่องปรับอากาศของใจ จะปรับอุณภูมิความร้อนที่มีอยู่ในใจให้หายไปทำให้ใจเย็นใจสบายใจมีความสุขนี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคำสรรั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดศึกษาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ จะได้รับผลอย่างแน่นอนจะทำให้จิตใจเย็นสบายทำกลางความรุมร้นของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตกต่าไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกในการดำรงชีพในการไปไหนมาไหนความ ทุกยากลำบากต่างๆจะไม่ทำให้ใจรุ่มร้อนถ้าใจมีธรรมะของพพระพุทธเจ้าติดไว้ในใจเป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศของใจใจผู้ใจของผู้ที่มีธรรมจะเป็นใจที่เย็นที่สบาย ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้อนๆต่างๆแต่ใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ร้อนๆต่างๆใจจะเย็นใจจะสบายดังนั้นถ้าใจของพวกเราตอนนี้กำลังร้อนอยู่ร้อนอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆร้อนอยู่กับเรื่องราวต่างๆลองมาศึกษา ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเถิดแล้วลองนำเอาไปปฏิบัติเหมือนกับการไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดไว้ในบ้านถ้ามีเครื่องปรับอากาศแล้วบ้านก็จะเย็นจะสบายความร้อนที่มีอยู่ภายนอกบ้านก็จะไม่สามารถ เข้ามาภายในบ้านได้พวกเรามาศึกษาธรรมะ ก, กันดีกว่ามาศึกษาวิธีทำใจให้ร่มเย็ยนเป็นสุขดีกว่าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจร่มเย็ยนเป็นสุขได้ต่อให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้าน ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วสามารถมีความร่มเย็นเป็นสุขได้และการมีธรรมะนี้สามารถมีได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโต หรือไม่เป็นใหญ่เป็นโตธรรมะนี้ไม่เลือกชาติชั้นวันนะไม่เลือกฐานะธรรมะนี้ให้กับทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนสามารถสร้างธรรมะขึ้นมาในใจได้สามารถมีความสุข ระดับของพระพุทธเจ้าได้ระดับของพระอาหารหันตสาวกได้คนทุกคนในโลกนี้มีสิทธ์เท่าเทียมกันในทางธรรมในทางโลกอาจจะไม่เท่าเทียมกันมีการกีดกันกันมีการแบ่งแยกกันแต่ทางธรรมนี้ ไม่มีการกีดกันไม่มีการแบ่งแยกอยู่ที่ใครมีความสนใจหรือไม่เท่านั้นถ้ามีความสนใจมีความยินดีในธรรมก็สามารถที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงได้ไม่ได้อยู่ว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นนัก บ, บวชหรือเป็นผู้คลองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีดวงจิตดวงใจเหมือนกันหมดที่พร้อมที่จะรับธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ภายในใจได้ขอให้มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ที่จะเป็นเหมือนกับบัตรผ่านประตูที่จะเข้าไปรับธรรมอนประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ต้องเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติจะนำความล่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้ศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติ ถ้ามีความเชื่อแล้วก็จะได้มีความยินดีความยินดีที่จะศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะทำให้ใจเย็นใจใจสงบใจมีความสุขพอได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อ เพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ผลจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องตามด้วยการปฏิบัติแต่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติโดยไม่ศึกษาก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะอาจจะปฏิบัติไม่ถูก ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระรัตนตรัยถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ ทรงแสดงธรรมวันละสามสี่เวลาด้วยกันยามบ่ายแสดงธรรมให้กับศรัทธ า, ายาตโยยามค่ำแสดงธรรมให้กับนักบวชพรภิกษุภิกษุณีสัมมาณีสั ม, มเาณริยยามดึกแสดงธรรมให้แก่เทวดาในยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบิณฑบาตทรงเร่งยานว่า จะไปโปรดไปสอนผู้ใดดีเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงจะได้ความจริงที่จะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อจะได้รับผลอย่างแน่นอนถ้าศึกษาจากผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริง รูปแบบงูงูปลาปลารูบรแบบตาบอดคำช้างมีนิทานเล่าเรื่องคนตาบอดคำช้างคนตาบอดสี่คนมาเจอช้างเบอร์คนหนึ่งก็ไปจับที่งวงแล้วก็บอกว่าช้างนี้เป็นเหมือนงู อีกคนไปจับที่งาก็บอกว่าช้างนี่เป็นเหมือนหอกปลายหอกแหลมคมอีกคนไปจับที่หางช้างก็บอกว่าเป็นเหมือนเชือกอีกคนไปจับที่ท้องช้างก็บอกว่าเป็นเหมือนฝาผนังซึ่งเป็นความถูกต้องของแต่ละคน แต่เป็นความถูกต้องที่ไม่ครบไม่สมบูรณ์ถ้าไปบอกผู้อนว่าช้างเป็นเหมือนงูผู้อนก็จะไปคอยไปหางู ด, ดูพอไปเจอสัตว์ที่เป็นเหมือนงูก็บอกว่านี่แหละคือช้างเอ็กคนที่ได้ยินว่าช้างเป็นเหมือนห อ, อกพอไปเห็นห อ, อกเขาก็บอกว่านี่คือช้างเป็นต้น นี่คือลักษณะของผู้ที่รู้ไม่ครบสมบูรณ์รู้บ้างรู้แบบรู้คํารู้แบบนี้คือรู้แบบศึกษาอย่างเดียวการศึกษาอย่างเดียวนี้ยังไม่เข้าไปถึงตัวจริงการศึกษานี้เพียงแต่ศึกษาชื่อของตัวจริงแต่ไม่ใช่ตัวจริง ศึกษาแล้วก็ไปจินตนาการตามที่ได้ศึกษามาเหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสื อ, อท่องเที่ยวเขาก็จะบอกว่าประเทศนี้มีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเราก็อาจจะจินตนาการไปต่างๆซึ่งส่วนที่เขามาบอกก็เป็นส่วนจริงแต่มีอีกหลายส่วนด้วยกันที่ เขาไม่ได้บอกพอเราไปเราก็อาจจะไปเห็นในส่วนที่เขาไม่บอกก็ได้ดังนั้นการศึกษานี้เป็นเพียงึรูทางเรียนรู้รูทางของการที่จะเข้าถึงตัวจริงเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐเข้าสู่รสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวง ที่จะทำให้จิตใจเย็นจิตใจสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความรุ่มร้อนของเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นควรจะศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงคือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วผู้ที่ได้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้ว บุคคลแรกที่บรรลุธรรมขั้นต่างๆด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็นำมาสอนผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพอได้ยินได้ฟังแล้ว น, น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลขั้นต่างๆบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามมา พอได้บรรลุแล้วก็สามารถที่จะไปสอนผู้อื่นต่อได้นี่คือการศึกษาการเรียนถ้าเราสังเกตดูในยุคนี้สมัยนี้มีการเผยแผ่ธรรมะโดยบุคคลต่างๆมากมายมีทั้งพระมีทั้งคารวะ แต่ละคนก็รู้สึกว่าจะเผยแผ่ไปไปทางด้นทางนั้นบ้างทางนี้บ้างบางทีถ้าไปเอามาเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันมันขัดกันเหมือนกับคนตาบอดทำช้างสี่คนก็สอนไปคนละทางกันสอนไปทางงูบ้างทางห อ, อกบ้าง ทางเชือกบ้างอันนี้เพราะว่าเป็นการสอนที่อาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้ว จ, จะต้องบอกให้ครบถ้วนบริบูรณ์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงสแสดงครบถ้วนบริบูรณ์มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก รรมจากกับปวัตนสูตรทรงแสดงมรรคแห่งการทางสู so, ่การหลุดพ้นจากความทุกข์มรรคแปดเช่นสัมมาทิติความเห็นชอบสัมมาสังคโปความดำริชอบสัมมากรมมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบ สัมมาอาชิวะอาชีพชอบสัมมาวายโามวความเพียรชอบสัมมาสติการนลึกรู้ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบทรงแสดงไว้นี่แหละคือทางสู่การหลุดพ้นผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้อง มีมากแบบให้ครบบริบูรณ์ไม่เช่นนั้นไปไม่ได้เหมือนรถยนต์ถ้ามีสามล้ออีกล้อหนึ่งยางแตกไปไม่ได้ต้องซ่อมยางให้ครบสี่ล้อก่อนเวลา ย, ยางแตกหรือมียางแต่ไม่มีพวงมาลัยขาดพวงมาลัยก็ไปไม่ได้ขาดเบรกก็ไปไม่ได้ต้องมีส่วนประกอบ ครบบริบูรณ์ก่อนถึงจะสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ดังนั้นควรจะศึกษาจากแหล่งที่รู้จริงเห็นจริงพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำมาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โดยมีพระอาน์นเป็นหัวหน้าเป็นผู้ขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าขอเวลาไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้อานา์ติดตามไปด้วยเวลาพระพุทธเจ้ากลับมาขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับอานน์อีกครั้งหนึ่ง ว่าอนนี้จะเป็นเหมือนเครื่องบันทึกเสียงมีความจดจำที่ดีมากเป็นหนึ่งในพระผู้ที่สังขายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธพังนิพานไปสามเดือนพาาาระอรหันตสาวกห้าร้อยรูป มาประชุมกันเพื่อที่มาทบทวนพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันว่ามีอะไรบ้างใครจำอะไรได้บ้างใครจำอะไรขาดไปบ้างมีห้าร้อยรูปเนี่ยได้ยินได้ฟังกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังครบทั้งหมดแต่ก็มี ผู้ที่มาช่วยยืนยันได้ว่าทรงสแสดงอย่างนี้ทรงสแสดงอย่างนั้นนี่คือการอนุรักษ์คำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธพระปรณิิ่านไปพะพระบรรดาสาวกทั้งหลายท่านทรงเห็นคุณค่าอันประเสริฐ ของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นคำสอนที่หาได้ยากไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถนำมาความรู้เหล่านี้มาเผยแผ่สั่งสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าจึงมีการอนุรักษนะ์พระที่มาบวชนี้ทุกลูกจะต้องหัดท่องพระสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นอุบายในการศึกษาไปในตัวและเป็นการปฏิบัติไปในตัวพอเวลาที่จะต้องท่องพระสูตรนี่ก็เป็นเหมือนเวลาเจริญสติเวลาที่เราท่องพระสูตรก็เช่นเวลาที่เราสวดมนต์นี่แหละเรากำลังท่องพระสูตรกันเพียงแต่เราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเอง ถ้าเรารู้คำแปลแล้วท่องคำแปลนี่เราจะรู้ว่าโอ้ยเรากำลังท่องคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองเป็นการศึกษาไปในตัวเรียนรู้ได้ความรู้ว่าพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้สมาธิได้สติไปในตัวได้อันนี้เรา เห็นมากับตัวเราเองเลยตอนที่เราเริ่มศึกษาเราเริ่มปฏิบัติเราโชคดีเราได้หนังสือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเอาพระสูตรที่เป็นภาษาบาลีที่อ่านแล้วไม่เข้าใจมาแปลเป็นภาษาอังกฤษพออ่านแล้วก็เข้าใจเลยว่าสงสอนให้ปฏิบัติอะไรโดยตอนนั้นโชคดีได้อ่านสติปัฏฐานสูตร รงสอนวิธีเจริญสติสมาธิและปัญญาในสติปัฏฐานสูตรถ้าท่องนี้ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีเป็นเหมือนได้นั่งสมาธิไปในตัวแทนที่จะใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธก็ท่องอพระสูตรนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เอวเมสุตังเป็นภาษารบาลี มีการเล่าขานมาดังนี้พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนทรงแสดงธรรมให้กับผู้ใดทมที่แสดงมีอะไรบ้างออตอนนั้นตอนที่ฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆนั่งไม่ได้นานก็อาศัยการท่องพระสูตรนี่ท่องพระสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษสติปัฏฐานสี่ เบื้องต้นก็สงสอนให้ฝึกนั่งสมาธิจเจริญอาณาปณสติให้ไปนั่งตามโคนไม้ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ตั้งจิตตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกกำหนดจิตให้อยู่ที่จุดนั้นให้เฝ้าดูลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องไปทำอะไร เพียงแต่ให้เฝ้าดูเฉยๆ เ, เหมือนยามที่เฝ้าประตูดูว่าคนเข้ากี่คนคนออกกี่คนเท่านั้นไม่ต้องไปควบคุมคนไม่ต้องไปสั่งคนให้เข้าหรือไม่ให้เข้าให้ออกหรือไม่ให้ออก่อให้ลมเข้าลมออกไปตามธรรมชาติของลมลมจายาบลมจะละเอียดก็รู้ตามความเป็นจริงของลม ลมจะสั้นลมจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปถ้ามีสติสามารถควบคุมจิตให้เฝ้าดูลมได้มันก็จะดึงจิตให้ออกจากความคิดปงแต่งต่างๆได้จิตก็จะไม่คิดปรงแต่งถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้พอจิตไม่คิดจิตก็จะเย็นจะสงบขึ้นมา แล้วก็สงบตามลำดับไม่ได้สงบแบบทันทีทันใดความคิดเริ่มลดน้อยถอยลงไปเบาบางลงไปความเย็นก็เพิ่มขึ้นความสบายใจก็เพิ่มขึ้นท่องพะสดเสร็จแล้วสี่สิบห้นาทีก็สามารถนั่งดูลมต่อได้ตอนต้นนั่งดูลมไม่ได้ใจวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ก็เลยให้เอามาคิดเรื่องพระสูตรแทนให้ท่องพระสูตรสติปัฏฐานสูตรนี่ท่องมันไปเรื่องต้นก็เรียนรู้วิธีนั่งสมาธิด้วยการเจริญอาณาปณ ะ, ะสติให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกขณะที่นั่งพอออกจากสมาธิมาแล้วพอนั่งด้านนั่งจนทนไม่ไหวนั่งไม่ไหว ลุกขึ้นมาขั้นต่อไปก็ให้เจริสติที่ร่างกายให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำจะแม้แต่ ย, ยกรแขนขึ้นมาก็ให้รู้ให้มีสติว่ากำลังยกแขนขึ้นมากาลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาให้รู้ทันทีให้เฝ้าดูทันทีทุกอิริยาบถ ท, ทุกการเคลื่อนไหวของ ร่างกายอันนี้สำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหรือเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นมีหน้าที่เพียงแต่เฝ้าดูร่างกายนี้เวลาที่ร่างกายนี้ไปทําภารกิจที่จำเป็นต่างๆเช่นไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําภารกิจกวด ถูที่อยู่อาศัยบัดกวาดลานวัดอะไรทํานองนี้ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เพื่อลดความคิดปรุงแต่งเพื่อกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้จิตลอยไปกับอดีตลอยไปกับอนาคตให้อยู่ในปัจจุบั น, นแล้วพอไม่มีกิจอะไรที่ร่องทำ ก็ให้นั่งสมาธิต่อหรือเดินจงกรมต่อถ้านั่งนานแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันสติมีกำลังมากขึ้นจิตก็จะเริ่มสงบมากขึ้นสงบได้นานขึ้นไปตามลำดับนี่คือขั้นที่สองคือสร้างสมาธิขึ้นมา หลังจากที่ได้เจริญสติแล้วก็ให้สร้างสมาธิคือความสงบความสงบนี้ก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันสามแบบด้วยกันคานิกะสมาธิอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคานิกะสมาธิก็สงบชั่วขณะหนึ่งอันนี้จะเป็นสมาธิสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆ ความสงบของผู้ผู้ที่ปฏิบัติได้สมัยเวลาได้สมาธินี้ในเบื้องต้นจะได้สมาธิแบบคณิกะจิตรวมลงแล้วตั้งอยู่ได้เดียวเดียวก็ถอนออกมาแบบงูแลบลึนหรือแบบฟ้าแลบแต่ผลที่ได้รับที่ได้สัมผัสนี้จะทำให้มีความมหัศจรรย์ใจว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่า มีสิ่งวิเศษวิสโสอยู่ในใจของเราเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มหัศจรรย์เท่ากับความสงบของสมาธินี้เลยอยไปเที่ยวที่ไหนมารอบโลกแล้วก็ตามยไปดูสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามผลที่ได้รับนี้มันต่างกับผลที่ได้สัมผัสจากความสงบน่าจะเป็นแค่ชั่วงูแลบเล้นก็ตาม จะทำให้เกิดมีศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นมีฉันทะวิริยะมีความยินดีมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับมันจะเป็นไฟขึ้นมาในตัวของเองไฟเริ่มลุกแล้วไฟที่จะมาเผาผลาญความฟุ้งซ่านต่างๆความทุกข์ความร้อนต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้รับแล้วจากการที่ได้สัมผัสกับคณนิกะสมาธิพอได้สัมผัสกับความสงบครั้งแรกแล้วก็จะติดอกติดใจเหมือนกับใครได้ไปชิมอาหารหรือชิมขนมที่ถูกอกถูกใจแล้วจะต้องไปสั่งซื้อมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่า ได้ดูแล ว, ว่ารสชาติของอาหารหรือขนมนั้นวิเศษอย่างไรอร่อยอย่างไรนั่นเองจะติดอกติดใจฉันตาวิริยะก็คือความติดอกติดใจนี่แหละเรียกว่าฉันตาวิริยะมีความกรยานความเพียงที่จะไปสั่งไปซื้อของที่เราชอบถ้าเป็นการปฏิบัติก็จะทุ่มเทให้มากขึ้นต่อการเจริญสมาธิอย่าคอยควบคุม ใจด้วยสติไม่ให้คิดปรุงแต่งจะคอยดีกเลี่ยงการกระทําอะไรต่างๆที่ขัดกับการปฏิบัติสมาธิจะหาที่สงบวิเวกจะไม่อยากจะไปคุกคีไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครไม่อยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เพราะมันทําให้ใจนี้เย็นเฉียบทําการอากาศที่ร้อนอย่างนี้แต่ใจนี้จะเย็นสบายไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศให้กับร่างกายเพราะมีเครื่องปรับอากาศของใจที่ทําให้ใจเย็นใจสบายทําให้ความร้อนของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหา นี่คือการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยการท่องจะทำให้เรียนรู้ถึงวิธีเจริญสติและวิธีนั่งสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็สอนให้เจริญปัญญาปัญญาที่จะให้ศึกษาก็มีอยู่สามจุดด้วยกันจุดที่หนึ่งก็คือร่างกายจุดที่สองก็คือเวทนา จุดที่สามก็คือจิตอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตนี่คือเป็นเป้าหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองอตอนต้นให้มีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาก่อนคือให้มีเสียงก่อนถือเสียงให้มีสัมมาอาชิโว ให้หาให้มีอาชีพชอบอาชีพของผู้ปฏิบัติก็คือการหาความสงบนี่เลยเป็นอาชีพของผู้ปฏิบัติไม่ใช่หาเงินหาทองไม่ใช่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่อาชีพของผู้ปฏิบัติในมรรคปดนี้สาัมม า, าชีโวนี้คือให้หาธรรม ให้หาลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงต้นก็ด้วยการถือศีลแปขึ้นไปพอถือศีลแปก็จะมีสัมมากามัมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวแล้วก็มาบำเพ็ญการเจริญสัมมาสติกับสัมมาสมาธิด้วยสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบ ศึกษาพระสูตรพระสติปทานสูตรเพื่อจะได้รู้วิธีจเจริญสติรู้วิธีจเจริญสมาธิแล้วพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้สติได้สมาธิตามกำลังตามลำดับคือได้สัมมาสติได้สัมมาสมาธิพอได้แล้วทีนี้ก็มาศึกษาร่างกายศึกษาเวทนาศึกษาจิต เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรเวทนานี้เป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่เรารู้สึกนึกคิดหรือไม่ถ้าไม่ศึกษาเราจะคิดไปตรงกับตรงข้ามกับความเป็นจริงถ้าไม่ศึกษานี้คนที่ไม่ศึกษาเรื่องของร่างกาย จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราแต่ทางธรรมท่านสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟทรมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นธาตุมีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุดินผสมกันข้าวนี้ก็เป็นธาตุดิน น้ำชนิดต่างๆก็เป็นธาตน้ําส่วนธาตุลมก็เข้ามาทางทางลมหายใจธาตุไฟก็มาตามความร้อนของดวงอาทิตย์และความร้อนที่ผลิตขึ้นภายในร่างกายจากการผสมของธาตุดินธาตุน้ําธาตุล ม, มก็จะทําให้เกิดธาตุไฟขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของร่างกายว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากได้อย่าให้ร่างกายอยู่ไปนานๆก็สั่งไม่ได้ร่างกายมันจะอยู่นานไม่นานมันก็เป็นเรื่องของมันร่างกายบางคนอยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็ตาย ร่างกายบางคนก็อยู่ได้นานแต่ก็อยู่ไม่ได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วในที่สุดก็ต้องตายไปต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมเวลาร่างกายตายไปถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าก็เป็นธาตุดิ่งธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็หายไปจากไฟที่เผาร่างกายมันจะแยกธาตุทั้งสี่ถ้าเอาไปฝังมอ ไปดูนานๆเขาก็จะเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำก็แยกออกไปธาตุลมธาตุไฟก็แยกออกไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาในร่างกายเราเขาตัวตนนี้เกิดจากความคิดเท่านั้นเองความคิดของธาตุรู้ที่มาผสมมามาร่วมกับธาตุสีมาร่วมประชุมกัน ธาตุรู้นี้มาเกาะติดกับธาตุสี่แล้วเป็นผู้ที่สั่งให้ธาตุทั้งสี่คือร่างกายนี้เคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆธาตุรู้นี้คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจตานที่ไม่มีการที่ไม่ได้เกาะติดอยู่กับธาตุสี่คือร่างกายก็เรียกว่าดวงวิญญาณ น, นี้ดวงวิญญาณ พอมาได้ร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่ก็เกิดการปฏิสนธิเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วพอร่างกายคลอดออกมาทารู้นี้ก็เป็นผู้คิดเองว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราเพราะว่าตัวทารู้เองมันไม่มีรูปร่างหน้าตา พอมันได้ร่างกายพอมากอดติดกับร่างกายมารับรู้มาสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกิ้นกายก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายไปอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ในสติปัฏฐานสอนให้เรามาแก้กันสอนให้เรามาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟที่มาประชุมอยู่กันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องแยกทางกันเรียกว่าอนิจจังชั่วคราวไม่ถาวรการรวมตัวการประชุมนี้ชั่วคราวเหมือนการรวมตัวการประชุมของพวกเราในขณะนี้ رض. เป็นการรวมตัวแบบชั่วคราว เรามารวมกันด้วยวิธีต่างๆบางท่านก็นมาด้วยร่างกายบางท่านก็นมาด้วยเครื่องมือถือติดต่อกันพบปะกันเห็นหน้ากันได้ยินได้เสียงได้ยินได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกทางกันเดี๋ยวพอได้เวลาก็จะแยกทางกันไปอันนี้ก็เหมือนกันการประชุมของธาตุทั้งห้าคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แล้ว้ารู้คือจิตใจเมื่อถึงเวลาก็จะมีการแยกทางกันไปเรียกว่าอนิจจังร่างกายนี้อนิจจังร่างกายนี้อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปสั่งไปเก็บร่างกายนี้ให้เป็นของตนไปได้ตลอดเป็นของตนได้ชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราว ถ้าศึกษาถ้าพิจารณาร่างกายแล้วใจก็จะมีสัมมาทิฏฐิเห็นความรู้ความจริงพอมีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกปะโปลความคิดที่ถูกตั้งตามมาคิดว่าต้องปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราจะไปคิดอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เพราะถ้าอยากให้มันอยู่แล้วมันไม่อยู่มันจะทำให้ใจทุกข์ทาให้ใจร้อนขึ้นมา ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการไปคิดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจแต่ถ้าคิดว่ามันมเมื่อมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดมันเราต้องไม่อยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดให้มันอยู่เท่าที่มันจะอยู่ได้ดูมันเหมือนกับเป็นคนที่มาเยี่ยมเราคนที่เขามาเยี่ยมเราเราก็ปล่อยเวลาเขามาเยี่ยมเราก็ยินดีต้อนรับเขา แต่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ขอกลับบ้านของเขาไปก็ปล่อยเขากลับไปอย่าไปกัดตัวเขาไว้อย่าไปหน่วงเนียงกับกันเดี๋ยวกเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวเกิดการต่อสู้กันใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแต่พอรู้ว่าเขามาชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ต้องไปก็จะเกิดสัมมาสังกปคือ ความคิดที่ไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดให้เขาอยู่เท่าที่เขาอยู่ได้เมื่อเขาจะไปก็ให้เขาไปเมื่อเขายังไม่ไปก็อย่าไปผักใสยเขาเพราะก็ไปผักเขาไม่ได้เวลาอยากให้เขาตายเขายังไม่ตายมันก็ทำให้ทุกข์อีกเหตุน mm ั hmm. ้นเวลาที่มันอยู่ก็ต้องให้มันอยู่เวลาที่มันจะไปก็ให้มันไปทนั้นเอง นี่ก็มรรคแปดก็สมบูรณ์ใช่ไหมมรรคแปดที่เอามาใช้กับร่างกายก็สมบูรณ์ปล่อยวางร่างกายได้ด้วยการศึกษาว่าร่างกายเป็นไตายักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยด้วยกําลังของสติของของสมาธิของอุเบกขาที่ได้จากสมาธิคือ ปล่อยวางคือเฉยๆนั่นเองเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปใจจะไม่ทุกข์จะไม่ร้อนใจจะเย็นทั้งขณะที่อยู่กับเขาและเย็นทั้งขณะที่เขาจากไปอ่า น, นี่ก็คือขั้นปัญญาในสติปัฏฐานสูตรนี่สอนสามขั้นสขันสติแล้วก็สมาธิ ล้าก็สอนปัญญาปัญญาก็มีสามข้อใหญ่ๆที่ต้องศึกษาศึกษาเรื่องร่างกายเราทุกข์ร้อนกับเรื่องร่างกายกันเพราะเราไม่ศึกษาเรื่องของร่างกายเพราะเราถูกมิจฉาทิฏฐิหลอกให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอหลอกแล้วเราก็รักตัวกลัวตายขึ้นมาพอมีอะไรจะมากระทบกับความ เป็นความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาทันทีแต่พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติมรรคแปดต้องต้องมีมรรคแปดครบเพราะถึงจะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีศีลก็จะผลิตสมาธิขึ้นมาไม่ได้ไม่ผลิตสติไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติเนี่ยคนที่ไปทำมาหากินมักจะไม่ถือศีลกันโดยเฉพาะศีลของนักบวชคือศีลแปดหมือจะไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติแต่สำหรับผู้ที่ไปบวชไปถือศีลแปดก็จะมีเวลามีสมมาทิว มีอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพการหาธรรมหาความสงบด้วยการจเจรานสติจเจราญสมาธิพอได้สติได้สมาธิก็สามารถที่จะไปศึกษาทางปัญญาต่อได้ศึกษาเรื่องของร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปทุกข์กับร่างกายเรื่องตนก็ศึกษาเรื่องของร่างกายของตนเองก่อน เราศึกษาเรื่องของร่างกายของตนเองได้ก็ศึกษาเรื่องของร่างกายของผู้อื่นที่ใจจะไปรักไปชอบไปอยากได้ให้เขามาเป็นของเราเนี่ยก็ต้องดูส่วนที่ทำให้เราไม่รักไม่ชอบเขาเพราะร่างกายของคนทุกคนมีทั้งส่วนที่น่ารักและส่วนที่น่าชฉลงถ้ามองส่วนที่น่ารักก็จะรักจะชอบจะอยากได้ ถ้ามองส่วนที่น่าชังก็จะไม่รักไม่ชอบจะไม่อยากได้ส่วนที่น่าชังเราก็เรียกว่าอาสุภะส่วนที่น่ารักเราก็เรียกว่าสุภะนีน่เองสุภะแปลว่าสวยงามพอเห็นร่างกายของใครสวยงามก็อยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองแต่พอไปเห็นร่างกายเขาเป็นอสุภะขึ้นมาเช่นเห็นเขาตายนี่ไม่มีใครไปแย่งกันเราให้เป็น สวยงามขนาดไหนเป็นนางงามจั ก, กรวาลก็ตามเถิดพอเป็นซากศพแล้วทีนี้ไม่มีใครไปประมูลกันแล้วไม่มีใครไปแย่งกันแล้วไม่มีใครไปเอารถเบ้นไปเอาอะไรไปประมูลกันแล้วต้องดูสุภาษะแล้วจะทำให้เกิดความชังในร่างกายของผู้อื่นขึ้นมาทำให้ไม่ต้องไปวุ่นวายใจกับการที่จะไปเอาเขามาเป็นสมบัติของเรา แล้วก็มาวุ่นวายใจกับการหวงความห่วงกับการมีสมบัติเนี่ยทำให้ใจทุกข์ร้อนไปเปล่าๆแต่พอเห็นอสุภะขึ้นมาทีนี้ก็ไม่เอาแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบเย็นอยู่แบบสบายดีกว่าอยู่แบบวุ่นวายใจวิตกกังวลห่วงใยทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงแล้วถ้าเกิดการพัดผ้ากัน ก่อนเวลาอันควรก็เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาอีกนี่คือการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาทางร่างกายเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่ทำให้จิตใจรุ่มร้อนรุ่มร้อนเพราะร่างกายอันนี้เพราะความเห็นผิดเห็นมิจฉับเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามบ้างเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราบ้าง ก็เลยเกิดความหลงเกิดความยึดความติดความอยากขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนใจขึ้นมาพอศึกษาด้วยปัญญาพอเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราเ่มันไม่สวยไม่งามส่วนที่ไม่สวยไม่งามถูกหนังบางๆหุ้มห่อปิดบังไว้เท่านั้นเอง แต่ถ้าศึกษาจริงๆแล้วจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังหรือเห็นตอนที่ร่างกายนี้มันไม่มีลมหายใจแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามอันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาขั้นร่างกายแล้วก็กขั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับร่างกายก็เรื่องเวทนา ความรู้สึกที่ได้ผ่านทางร่างกายซึ่งถ้าศึกษาก็จะรู้ว่าเวทนาทางร่างกายมันมีอยู่สามชนิดด้วยกันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเช่นเวลาร่างกายหิวร่่งกายร้อนเนี่ยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้ปวดระบมไปทางล่าง อันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาแล้วเดี๋ยวพอหายก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา อ, อพอทุกเวทนาหายไปก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาพอหิวอาหารก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอได้รับประทานอาหารอื่มก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาอือส่วนเวทนาอันก็เป็นเวทนาที่อยู่ระหว่างสุขกับทุกขนี่คือช่วงที่ จะว่าหิวก็ไม่หิวจะว่าอิ่มก็ไม่อิ่มตอนนั้นก็ไม่ทุกตอนนั้นก็ไม่สุขก็เรียกว่าเป็นเวทนากลางๆนี่คือเวทนาที่จะมาทางมาทางร่างกายแล้วก็ไปสัมผัสรับรูบร้ด้วยใจแต่ใจก็โง่อทั้งๆที่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ายังดันไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอีกเวลามันสุขก็อยากจะให้มันสุขไปอย่างเดียว ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นแล้อวก็ไปห้ามมันได้ที่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปอยากให้มันไม่หิวก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หิวเพราะมันเป็นอนิจจังเหมือนกันเวทนาแล้วเวลามันเป็นขึ้นมาก็ไปสั่งให้มันหายไม่ได้เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นไข้ปวดปวดไปทั่วทั้งตัวบอกเฮ้ยหายไป เลิกอย่ามาสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเนี่ยเสียงที่เราได้ยินตอนนี้ไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ไปสั่งให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดถ้าไปอยากให้มันหยุดใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับว่าเออมันเป็นของธรรมชาติเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ มันไม่หยุดก็ปล่อยมันล้องไปถ้าเราไม่มีความอยากเรามีอุเบกขาเราก็เย็นสบายอยู่กับมันไปได้เวทนาก็แบบนี้ที่เรามาฝึกนั่งแล้วให้มันเจ็บก็ฝึกเพื่อให้เราหัดทำใจเฉยๆปล่อยวางเวทนามันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปมันไม่ทำให้เราทมันไม่ทาลายเราได้หรอกเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีอะไรจะทำลายเราได้ เราให้มันร่างกายเนี่ระเบิดเป็นเสี่ยงเสียงจากระเบิดมันก็ไม่มาทำลายจิตของเราได้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายไม่ได้ถูกทำลายไปกับร่างกายแต่ผู้รู้ผู้คิดนี้ไปโง่เองไปคิดว่าตนเองอยู่ในร่างกายทั้งเองเหมือนคนที่ดูหนังแล้วก็โง่คิดว่าตัวเองอยู่ในจอพอดูหนังผีขึ้นมากลัวขึ้นมา ไม่กล้ามองเลยหลับตากลัวเดี๋ยวผีจะมาบีบคอทั้งทั้งที่นั่งดูเฉยๆแต่ตอนนั้นไม่มีสติซะแล้วไม่มีปัญญาซะแล้วคล้อยตามไปกับภาพยนตร์ที่ดูคิดว่าตัวเองนี่อยู่ในจอภาพยนตร์เสียแล้วอันนี้ก็เหมือนกันจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเวทนาบีบคั้นแต่อย่างใด ผู้ที่ถูกเวทนาบิตคั้นก็คือร่างกายแต่ร่างกายมันกลับไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรร่างกายมันไม่รู้เรื่องเหมือนจอภา พ, พยนต์ น, นี่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเวลาภาพที่ปรากฏบนจอยิงกันระเบิดกันตูมตามจอภาพยนต์ฉีกไหมไม่ฉีกอันนี้ก็เหมือนกัน เวทนามันจะรุนแางขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายหายไปหรือระเบิดเป็นเสียงงไ ป, ไ ป, ไปมันก็เป็นอยู่เหมือนเดิมกระดูกก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนือก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทั้งนั้นเองผู้รู้คือใจก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ทั้งนั้นเองเงแต่ว่าผู้รู้คือใจไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเวทนาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าสุขก็อยากให้มันสุขเป น, นาน ทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปทันทีพอมันไม่ได้ดังใจอยากก็เครียดขึ้นมาในใจนั่นเองแต่ถ้ามาศึกษาธรรมชาติของเวทนาว่ามันเป็นของมันมันสุขก็เปลี่ยนมันไม่ได้มันทุกข์ก็เปลี่ยนมันไม่ได้มันก็ต้องทาใจเท่านั้นหัดอยู่กับมันไปให้ได้ พอทำใจให้อยู่กับมันได้เฉยๆได้เป็นคนดูหนังแบบไม่มีอารมณ์ดูไปบอกตัวเองคอยหยิดตัวเองว่าให้มันเป็นแค่หนังเท่านั้นเองเวทนานี้ก็เป็นเหมือนหนังมันปรากฏอยู่ที่ร่างกายใจเป็นผู้ดูก็ดูมันไปใจเหมือนดูคนอื่นเจ็บปวดอย่างนี้เวลาคนอื่นเจ็บปวดเราไปเจ็บปวดกับเขาหรือเปล่าเราไม่เจ็บปวดด้วยเราก็รู้ว่าเขาเจ็บปวด แต่เราก็ดูเฉยๆ เ, เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่วุ่นวายเราก็จะไม่รุ่มร้อนจิตใจขึ้นมาใจก็จะเย็นจะเฉยนี่ก็อีกวิธีหนึ่งที่จะต้องหัดศึกษาเพราะไม่ช้าก็แล้วจะต้องเจอทุกขเวทนากันทุกคนถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติกับทุกขเวทนาเวลาเกิดขึ้นใจจะร้อนขึ้นมาจะวุ่นวายขึ้นมา บังทียังไม่ทันเกิดร้อนขึ้นไปก่อนนละหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะเนี่ยใจก็ร้อนขึ้นมาแนะหมอบอกจะต้องฉีดยาใจร้อนขึ้นไปก่อนเนะีแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมชาติว่าเวทนามันก็เป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้มันมากับร่างกายถึงเวลามันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บไปเจ็บก็เจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายมันก็หมดไปไม่หมดแบบถาวอลก็หมดแบบชั่วคราว หมดแบบเชื่ขาวก็คือยังไม่ตายนั่นเ่งถ้าหมดแบบถาวรก็ตายท้งนนี่มันก็หมดก็มีเท่านั้นเรื่องของเวทนาเกิดมาแล้วต้องมาเจอมันต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ต้องไปเทิกไปวุ่นวายกับมันได้ถ้ารู้จักธรรมชาติของมันแล้วรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติสมันก็คือปล่อยวางด้วยอุเบกขาด้วยปัญญาเท่านั้นเอง แล้วก็จะไม่มีปัญหากับเวทนาต่อไปเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอยู่เรื่อยๆเพระพุทธเจ้าพาละหาันหลังจากบรรลุแล้วท่านก็ยังเจอมันอยู่เหมือนเดิมก่อนบรรลุ ก, ก็เจอมันเหมือนเดิมเหมือนกันแต่หลังจากก่อนบรรลุ ก, กับหลังจากบรรลุนี้ใจปฏิบัติกับมันไม่เหมือนกันตอนที่ไม่บรรลุนี้ก็อยากให้มันหายถ้ามันทุกข์ถ้าสุขก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆ แล้วก็เสียใจเวลามันหมดไปเวลามันทุกข์แล้วมันไม่หมดก็วุ่นวายใจแต่พอบรรลุแล้วทีนี้ก็ไม่วุ่นวายไปกับเวทนาทั้งสามจะมาแบบไหนก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันใจก็จะสบายนี่คือข้อสอบหรือความรู้ที่ต้องศึกษา ส่วนที่สองก็ความรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรความรู้ส่วนที่สามต้องศึกษาก็คือจิตจิตก็เป็นจิตที่มีอารมณ์แผลแปรผันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็เหงาหงอยเดี๋ยวก็ตื่นเต้น มีเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆตามภาวะที่ไปสัมผัสรับรู้ก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นอนัตตาเหมือนเวทนารู้ว่ามันเป็นอนิจจังเหมือนเวทนามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปอยากให้มันอยู่แล้ว อ, อย่าไปอยากให้มันหายเพราะไปอยากแล้วเวลามันไม่ได้ดังใจก็จะทำให้เครียด ให้รู้ทันแล้ปล่อยวางเช่นเดียวกับเวทนาเ้วต่อไปจิตก็จะไม่ร้อนกับอะไรต่อไปเพราะทั้งหมดนี้มันมารวมอยู่ที่สามตัวนี้ของภายนอกมันจะเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆภายนอกมันจะก็มันก็จะแปลงเข้ามาในใจเข้ามาที่ร่างกายให้เป็นเวทนาบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กบ้างแปลงจิต คืออารมณ์ในจิตให้เป็นจิตมีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของเวทนาเรื่องของร่างกายแล้วแล้วปล่อยวางได้แล้วความนุ่มร้อนใจก็ไม่มีเหลืออยู่ในใจต่อไปใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดทั้งข้างนอกทั้งข้า ง, ง, ง, งในข้า ง, งนอกมันก็ ปอยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัตินี้ก็เริ่มปล่อยข้างนอกแล้วปล่อยลาบยศสรรเสริญปล่อยลูกเสียงกลิ่นร้นแล้วแล้วก็เข้ามาศึกษามาปล่อยที่ข้างในปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยจิตนพอปล่อยได้หมดก็ไม่มีปัญหากับจิตอีกต่อไปไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจไม่มีอะไรมาสร้างความลุ่มร้อนใจให้กับจิตอีกต่อไป จิตก็จะเย็นสบายไปตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันจะมีแต่ความเย็นสบายตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองนี่คือวิธีการใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องปรับอากาศให้กับใจให้ใจล่มเย็นเป็นสุขผูท้ที่จะ ทำให้ใจร่อมเย็นเป็นสุขได้จึงจาเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้จะปฏิปฏบัติมรรคแปดนี่เองให้จเจริญมรรคแปดให้ได้ให้มีสัมมากรัมโตสัมมาวาจาคือศีลสัมมาอาชีวคืออาชีพชอบอาชีพที่ชอบที่แท้จริงก็คือการหาธรรมะนี่ ไม่ใช่หาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาธรรมหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปั่นเนี่ยพอมีสัมมาชีโวแล้วก็จะมีเวลามาเจริญสัมมาวยายโมความเพียรชอบเ <Yeah. S 1> พียรหาธรรมธรรมที่หาก็คือสติธรรมนีสัมมาสติพอมีสัมมาสติก็จะได้สัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธิก็สา ม, มารถที่จะไป เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรได้ต่อไปก็จะได้มรรคแปดครบทุกองค์พอะด้มรรคแปดครบทุกองค์อความรุ่มร้อนของใจก็หายไปเหมือนกันเราไปซื้อชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศนสมัยนี้เขามีแบบประหยัดคือถ้าอยากจะประหยัดเงินก็ไปซื้อแบบที่มาประกอบเอาเอง เราก็ไปซื้อชิ้นส่วนของเครื่องปะประกาศต่างๆมาประกอบเองจะได้ประหยัดค่าค่าใช้จ่ายลงอันนี้ไม่ทราบจะมีหรือเปล่าแต่มีของบางอย่างที่เราสามารถที่จะประกอบเองได้เขาให้เราไปซื้อชิ้นส่วนมาแล้วเขาก็มีเขาก็มีหนังสือนะสอนวิธีประกอบให้สาหรับผู้ที่อยากจะทดลองฝีมือของตนเอง กาลังจะไปซื้อของพ่งนี้ก็เรียกว่า do it yourself DIY ของที่เอามาประกอบกันเองอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ให้ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศใจมาแปดชิ้นมาครบทุกทุกชิ้นส่วนเอามารกแปนี้มาประกอบกันขึ้นมาพอมีมารกแปดแล้วก็สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศใจได้ทําให้ใจเย็นใจสบายไปตลอดไม่มีคําว่ารู้มร้อนจิตใจ หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นใจที่นุ่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุระินติสากลังเอวเมวะอโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิช an ิตังปะทิตังต um ุมหังทิปเมวะสมิจโตสัพเพปุระิโตสักะปาจันโทปนนาวะโสยะถามณนิโชติ พระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโภวินัสตุมาเตภวตะวันตาโยสุขีทีขายุโกภวอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวาทานติ อยุวันสุขังภาลังวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ทาง Facebook 402 YouTube 267วิทยุออนไลน์5สูม9รวม683ค่ะ hmm. ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยคําถามจากคุณติศยามีปัญหาเรื่องกลัวเสียงฟ้าผ่าเพราะเคยโดนช็อตตอนฟ้าผ่าแล้วไปจับโลหะจะแก้ความกลัวตายอย่างนี้อย่างไรคะคกค็มันก็ผ่านมาได้แล้วไปกลัวทําไมใช่ไหมก็แสดงว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเหมือนติดไวรัสครั้งเดียวแล้วก็ทีนี้พอ หายแล้วทีนี้ก็มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่กลัวทําไมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงก็ผ่านมาแล้วมันจะเป็นอีกก็มันก็ผ่านมาได้ไม่กลัวอะไรมันทุกข์เพราะไม่อยากไปเจอมันเท่านั้นเองนี่ไม่ต้องไปกลัวเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเหมือนเราถ้าเราติดไวรัสแล้วทีนี้เราก็ไม่ต <mm ้องติดแล้ไม่ต้องไปใส่หน้ากากไม่ต้องไปกังวลไปอะไรกับใครแล้วไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวละเพราะเรามีภูมิคุ้มกันละ พอเจ็บแล้วทีนี้เ็ารู้ความเจ็บเป็นยังไงมันก็แค่นั้นใช่ไหก็ผ่านมาได้แไม่ไปกลัวมันทำไมไม่มีเไหมที่มันกลัวเพราะมันไม่อยากจะเจ็บนะมันไม่ใช้เหตุผลนะมันความฝังลึกความอยากจะได้แต่ความสุขพอไปเจอความทุกข์ก็เลยไม่อยากได้ก็เลยเกิดความกลัว ไม่รู้ว่าความทุกข์มันก็เป็นเหมือนอยามันทำให้ใจเราเข้มแข็งทำให้ใจเราไม่ต้องมาทุกข์กับมันต่อไปแต่กับไม่ใช้มันกับไปกลัวมันควางจริงถ้าเราผ่านมาได้แล้วเราจะกลัวมันทำไมอันนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วถ้าเวลามันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เวลาจะเจอมันก็ห้ามมันไม่ได้ ถ้าท่านมันจะถึงเวลาที่จะตายก็ห้ามมันไม่ได้ไม่ตายด้วยไฟช็อตมันก็ต้องตายด้วยเรื่องอื่นอยู่ดีไม่มีใครไม่ตายมันคิดแบบนี้มองความจริงดูเกิดมาแล้วไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้มันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเท่านั้นเองแต่ต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันจะไม่มีความกลัวไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย กลัวไปก็ไม่ได้อะไรกลัวไปขาดทุนเปล่าๆเพราะความกลัวก็เหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเนี่ยอยู่ดีๆพอพอกลัวก็เอาค้อนมาทุบศีรษะเราทุบมันทาไมทุบแล้วไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เจ็บอยู่ดีตายอยู่ดีเหมือนกันลองใช้เหตุผลคิดดู้วมันก็จะไม่ไม่กลัวคำถามจากคุณอธิชา จิตกับอมตะธรรมวงเล็ดนิพพานคือสิ่งเดียวกันใช่หรือไม่ครับจิตที่หลุดพ้นน่ะจิตที่ไม่มีกิเลสเรียกว่านิพพานแต่จิตที่ยังมีความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากมีความทุกข์อยู่นี้ไม่นิพพานก็เรียกว่าปุถุชนหรือวัตตะสงสารจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่วั ต, ตจิตคำถามจากคุณธิดา ขอคําอธิบายเรื่องอารมณ์ในจิตเพิ่มเติมค่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็อารมณ์ก็อารมณ์เวลากโกรธก็เป็นอารมณ์เวลาโลภก็เป็นอารมณ์เวลาอยากก็เป็นอารมณ์เ ว, าา เ, มณเวลาเบื่อนายก็เป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกภายในจิตนะที่เรียกว่าต่างกับเวทนามันเป็นความรู้สึกทางร่างกายเวทนามันมาทางร่างกาย เพรนเวลาถูกหมอฉีดยานี้มันก็เจ็บที่ร่างกายแล้วมันก็ไปมีอารมณ์ที่ใจด้วยอารมณ์ก็คือทุกข์ะทุกข์กับการถูกฉีดยาคำถคมจากคุณชมชนก โยมเข้าใจว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ด้วยตัวเองโยมจะเปิดบทสวดมนต์จากยู u b e และโยมจะกล่าวว่าขคอัญนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเลขที่ห8สิบแปดมาร่วมรับฟังร่วมสวดมนต์และอนุโมทนาบุญได้ไหมคะไม่รู้ว่าบุญอะไรก็ไม่รู้ <laughs> บุญมันต้องเกิดจากการกระทำของผู้ของตัวเราเอง สวดมนต์นี้เพื่อทําให้ใจเรามีสติทําให้ใจเราเย็นทําใจให้เราสงบไม่ใช่ไปสวดให้บ้านไม้เลขที่บ้านนี้มีเลขที่สวดแล้วผีสางเถอะผีสางจะไม่เข้ามารบกวนมันไม่ใช่การสวดมนต์นี้เป็นการภาวนาเป็นการเจริญความสงบ วันนี้คนหายไปเยอะเพราะถีม่มางเนี่ยถ้าถี่คนเลยหายไป mm hmm. ทพิงเทศไปเมื่อสองวันก่อน uh huh. วันนี้คนก็เลย uh huh. หายไปก็ดีจะได้ไม่ต้อง uh huh. นั่ง น, นานๆ uh huh. แต่เดี๋ยวจะรอไปสักพักหนึ่งก่อน uh huh. คนคงจะส่งคำถามเข้ามา คนสมัยนี้มีสมาธิสั้นมากถ้าเนียทศยาวๆไปตปิดดูเนี่ยดูคนรับชมไม่ไมีไม่เท่าไหร่ถ้าพูดสั้นๆ ส, ส, สิบวินี้มีคนดูเป็นแสนมันก่อนให้พรแค่สิบห้าวิคนดูต้องสามสี่แสนคนเข้าถึงล้านกว่าแต่วันนี้เทศมาถ้าเป็นแทบตายชั่วโมงนึง มีคนเข้าถึงไม่กี่หมื่นมีคนรับชนไม่รู้ถึงหมื่นหรัอเ่าเพราะว่าคนไม่มีสมาธิพอที่จะนั่งฟังได้ฟังแล้วใจมันลอยใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังก็เลยไม่อยากฟังฟังแล้วมันเบื่อเพราะไม่ได้เข้า อ, อกเข้าใจอะไรแต่สำหรับคนที่มีสมาธินี่เขาก็นั่งฟังได้ฟังได้ยาวเนี่ย แสดงว่าคนในโลกเนี้มีสมาธิน้อยเหมือนกับพวกเขาวัวเนี่ยส่วนพวกที่ขนวัวนี่มีเยอะพวกสมาธิสั้นเนี่ยเยอะอถ้าอยากจะเล่าพวกสมาธิสั้นนี่ต้องหาอะไรสั้นๆมาให้เขาดูเสักห้านาทีสิบนาทียิ่งของที่ไม่ต้องใช้ความคิดด้วยไม่ต้องใช้สติปัญญาด้วยยิ่งดีไง ดูของอะไรแปลกๆดูแล้วหัวเราะคึกคักนี่ดูกันเป็นล้านหลายสิบล้านก็มีน้อยล้านก็มีนี่คือธรรมชาติของจิตคนส่วนใหญ่ไม่มีสติสมาธิพอที่จะตั้างให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลายาวนานได้ก็ เ, เลยไม่ค่อยมีปัญญากันไม่มีความรู้กันไม่ชอบศึกษากันชอบเสษมากกว่าชอบศึกษา ราบเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่มาปั๊บหายไปปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเ้เห็นไหมดูอย่างเงสบายใจแต่พอมาต้องมาดูหนังสือนี่โอดูแล้วปวดหัวขึ้นมาดูได้สักพักหนึ่งปวดหัวขึ้นมานะเพราะสมาธิไม่พอสติไม่พอคำถามจากคุณพิทักษ์กระผมปฏิบัติในช่วงต้นโดยการกำหนดลมหายใจข้อออก ร้อมกับใช้ตัวเลขกำกับคือกำหนดให้ลมหายใจเข้านับเป็น1เป็นเลขขี้ลมหายใจออกนับเป็น2เป็นเลขคู่โดยกำหนดจํานวน100 200 300ครั้งโดยในระหว่างที่ปฏิบัตินี้จะสํารวจอยู่โดยตลอดว่ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกและตัวเลขที่กําหนดอยู่โดยตลอดหากว่าไม่มีสติลืมตัวเลขที่กํากับไว้ก็จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ พอสำรวจ ด, ดูว่าตนเองมีสติกับตัวเลขและลมหายใจอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่หลงแล้วจึงได้กำหนดให้กลับมาใช้พุโทโธในการบริกรรมต่อไปผลที่ได้คือมีสติอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธนั้นดีกว่าเดิมอยากสอบถามพระอาจารย์ว่ากลับผมใช้วิธีในการปฏิบัติจะได้ไหมครับก็ต้องดูผลที่จะตามมาต่อไปว่าทาให้ใจเราเย็นใจเราสบายใจเราสงบขึ้นหรือไม่ สตินี้ยังเป็นเหตุต้องมีเหตุก่อนแล้วก็ต้องถึงจะมีผลตามมาถ้าเหตุยังไม่สมบูรณ์เหตุยังไม่ดีพอผลก็ยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นได้น้อยเน้นการปฏิบัตินี้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราสงบใจเรามีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้น ปล่อยวางได้เฉยได้ไม่ใช่วู่ว่าวู่ว่าไปกับสิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้คำถามจากคุณอุควรจะอธิฐานอย่างไรจึงจะทำให้ถึงนิพพานโดยไม่มีความอยากคะก็ต้องอธิฐานที่เหตุคือการกระทาว่าเจริญมรรคแปดให้ได้ถ้าเจริญมรรคแปดได้ก็ถึงนิพพานได้ เหมือนกับอยากจะได้เงินทำยังไงก็ต้องทํางานก็ไปอธิษฐานที่การทํางานไปตั้งคำเพราะคำอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอคมอธิษฐานทางทางคําสอนของพระพุทธเจ้า น, นี้แปลว่าความตั้งใจต้องตั้งใจที่เหตุตั้งใจสร้างเหตุขึ้นมาแล้วผลมันจะตามมาถ้าไปตั้งใจที่ผลมันผลไม่เกิดเพราะมันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดผละ ต้องไปสร้า ง, งที่เหตุเหตุที่จะทำให้เกิดนิพพานก็คือการปฏิบัติมากแปมกักแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่เป็นมักเหมือนกันแล้วแต่ว่าอยู่ในสถานภาพไหนถ้าเป็นคาระวาสก็ต้องทําทานก่อนแล้วถึงรักษาศีลแล้วก็ภาวนาถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องทาทานก็ศีลกับภาวนาก็กลายเป็นสมาธิและปัญญาไป คำถามสากคุณปกรณ์ในชีวิตประจำวันบางช่วงติดกับอารมณ์ปฏิบัติมากบางช่วงติดกับอารมณ์ทางโลกมากสลักไปมาควรฝึกปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าทางธรรมครับก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ไปทางโลกนะเช่นไปอยู่วิเวกไปอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่ในโลกที่มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ก็จะมีอะไรมาคอยกระตุ้นให้ไปทางโลกได้เห็นผู้ที่ต้องการไปทางธรรมมักถึงจะต้องไปเปลกไม่เวกันไปอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆของทางโลกไม่รับรู้เรื่องราวไปแล้วก็ต้องปิดมือถือไม่เอามือถือติดตัวไปด้วยถ้าเอาติดตัวไปได้กไ็ไปทางกายแต่ใจก็ยังติดอยู่เดี๋ยวก็เปิดดูมือถือเดี๋ยวก็คิดไปในทางโลกต่อได้ คำถามจากคุณนัทพลการเดินจงกรมควรเริ่มอย่างไรครับก็เดินตามปกติเหมือนต่เวลาเราเดินไปไหนมาไหนไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแต่ต่างกันตรงที่เดินแล้วเราควบคุมใจเราให้อยู่กับการเดินหรือให้อยู่กับพุทโธในขณะที่เราเดินไม่ปล่อยให้ใจเดินไปแล้วก็คิดจินตนาการไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเหมือนเดินช้อปปิ้ง เดินไปเห็นกระเป๋าสวยอยากได้เห็นรองเท้าสวยอยากได้เอ้ยเหมาะกับเราไหมเราใส่เราเสริมบุคลิกเราหรือเปล่าทำนองนี้อนะไม่ใช่เป็นการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี้ต้องควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือให้อยู่กับการเดินคือเท้าได้เท้าซ้ายเท้าขวาไปก็ว่าซ้ายว่าขวาไป คอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณพรพระพัเวลาปวดทรมานลูกภาวนาพุทโธหรือว่าปวดหนอก็รับรู้ความปวดไปปล่อยไปไม่เอาใจไปเจ็บไม่ถูกกับร่างกายพอภาวนาพุทโธบ้างสวดมนต์เดินจงกรมบ้างสักพักความเจ็บปวดก็หายไปเองแบบนี้ลูกทําถูกไหมเจ้าคะก็มันทําแล้วมันเราทําให้เรา เผชิญกับทุกขเวทนาได้หรือเปล่าถ้าเรารเผชิญกับมันได้ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวต่อไปเราก็จะสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนถ้าเรายังหวั่นไหวเดือดร้อนอยู่ก็ยังใช่ไม่ได้คําถามจากคุณบัวบานการที่หนูแชร์ธรรมะแล้วทําให้คนอื่นเข้าใจว่าหนูจะสื่อไปว่าเขาหนูจะบาปไหมคะ ก็อยู่ที่เจตนาของเราเนะี่ยเรามีเจตนาอย่างไรบาปอยู่ที่เจตนาของเราไม่ใช่อยู่ที่ความคิดของผู้อื่นถ้าเรามีเจตนาดีต้องการให้เขาได้รับรู้ธรรมะดีๆแต่เขาไปแปลว่าเรามีเจตนาที่จะไปประชดประชันเขาหรือไปด่าเขาอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วมันเป็นเจตนาของเขาไม่ใช่เจตนาของเราเขาต้องเป็นผู้รับผลของเจตนาของเขา เจตนาของเราบริสุทธิ์เห็นว่าธรรมะนี้ดีอ่านแล้วเห็นแล้วทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสบายไม่วุ่นวายใจก็อยากจะแบ่งให้คนอื่นแต่ถ้าคนอื่นไปดูแล้วไปไ ป, ไปคิดเป็นเรื่องอื่นไปมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ไม่ได้เป็นความไม่ไม่ได้เป็นบาปของเรา คำถามจะคุณจริงใจน้องสาวมีความศรัทธาพระอาจารย์มากครับและปฏิบัติธรรมเสมอจากกลับบ้านอาทิตย์ละหนพอกลับบ้านมีหลายเรื่องไม่ได้รังใจก็จะอารมณ์ไม่ดีกลับไปบ่อยๆขอพระอาจารย์เมตตาสอนอุบายในการวางจิตวางใจก่อนที่จะกลับบ้านด้วยครับก็ต้องเอาสติกลับไปด้วยนะถ้าไม่เอาสติกลับไปมันก็มันก็เหมือนกับเป็นคนละคนเวลาปฏิบัติก็มีสติ พอกลับบ้านก็ทิ้งสติไว้ที่วัดนี่กลับไปก็ไปอรารวาสไปอะไรก็ต้องเอาสติติดตัวไปทุกแห่งทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่ไปวัดอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสติเพราะสติจําเป็นในทุกกรณีค่ะคาถามจากคุณสงา่าการสั่งสอนลูกอย่างไรถึงจะดีเพราะบางครั้งต้องมีอารมณ์โกรธทําให้เรามีจิตเสื่อมเพราะอารมณ์สั่งสอนลูกให้ดีดีอย่างไร ทำอย่างไรก็ทำตัวเราให้ดีสิทำตัวให้ดีแล้วลูกเขาก็เขาก็เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างอย่าเป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาสอนให้ลูกไม่โกหกตัวเองก็โกหกกับลูกสอนให้ลูกไม่พูดคำหยาบตัวเองก็พูดคำหยาบถ้าสอนแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะลูกเขาจะดูพฤติกรรมของเรามากกว่าฟังสิ่งที่เราพูด คำถามจากคุณแอนโทนี่มีรายการเกี่ยวกับเรื่องผีเห็นเปรตเห็นผีแต่ก็ทําให้คนหันมาทําความดีมากขึ้นเพราะความกลัวไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นในเรื่องนี้เป็นงมงายไหมครับหรือว่าอยู่ที่เจตนาให้คนมาทําความดีเยอะๆคือการทําความดีมันดีที่จะมาด้วยเหตุผลกลนกใดนี้มันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าถูกหลอกให้มาทําความดีต่อไปพอรู้ว่าถูกหลอกต่อไปก็อาจจะไม่ทําความดีต่อได้อันนี้ไม่แน่อแต่ถ้าเป็นเป็นเหตุที่เป็นความจริงอ่ะดีที่สุดนอะไรเป็นความจริงนะล้วก็คนเห็นความจริงแล้วไปทําความดีเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าความจริงมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นเรื่องหลอกกันนี้มันก็อาจจะทําให้คนที่ถูกหลอกอาจจะ เสื่อมศรัทธาขึ้นมาได้คำถามจากคุณปรีชาถ้ากลัวผีจะมีวิธีวางใจยังไงไม่ให้กลัวครับก็ดูผีในตัวเราเลยโคงกระดูกของอยู่กับเราตั้งแต่เช้าถึงตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงไม่ยอมดูผีในตัวเราไม่ดูผีข้างนอกอเราก็เป็นผีเหมือนกันไงผีเดินได้นี่ทุกคนนี่เป็นผีนะใครไม่มีโครงกระดูกบ้าง แล้วไายไม่เป็นซากศพบ้างใช่ไหมถ้านั้นแหละคิดอย่างนี้มันก็หายกาลัวนะเวลาผีมาก็อ้าวเป็นเพื่อนกันพวกเดียวกันไปกลัวทำไมมึงก็มีกลก็มีคำถามจากคุณจานิสาโยมสงสัยการทำสมาธิว่าได้ระดับไหนเช่นนั่งสมาธิแล้ววูบไม่ได้ยินอะไรคล้ายตัวโยกแต่ไม่มีเสียงบริกรรมแต่ไม่ได้หลับเพราะไม่ได้ผงกเจ้าค่ะ รู้สึกตัวแล้วพิจารณาปัญญาได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกนั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาปัญญานั่งเพื่อให้สงบให้นิ่งไปนา น, านให้มันเกิดความสุขเกิดอุเบกขาขึ้นมาถ้ามันยังไม่ให้มหาหัดสะใจก็แสดงว่ายังไม่ใช่มันเป็นของที่อัศ จ, จรรย์ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนัตติสันติพลังสุ ข, ขังสุอกินที่เหนือกับความสงบไม่มี ถ้ายังไม่ถึงจุดนัานก็แสดงว่ายังไม่ถึงสมาธิคำถามจากคุณทรงวุฒิการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนานใช่ไหมครับจะว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่รู้แหละนั่งสมาธิเพื่อให้มันเกิดความสงบบางคนก็ต้องนั่งนานบางคนก็ไม่นานแล้วแต่สติของแต่ละคนคนมีสติดีก็สงบได้เร็วพอสงบได้แล้วก็นั่งไปนานเพราะมันสงบแล้วไม่อยากจะลุก พรามันมีความสุขแต่คนที่นั่งไม่สงบแล้วรู้สึกอึดอัเดี๋ยวทนไม่ไหวก็อาจจะลุกขึ้นมานั่งนานมันก็ไม่สงบไม่นั่งนั่งไม่นานมันก็ไม่สงบเพราะนั้นไม่ได้อยู่ที่นานหรืไม่นานอยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติคำถามสกุลอธิชาขอถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ท่านพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งผมฟังท่านบอกว่าท่านพุทธทาท่านสอนว่านิพานคืออนัตตาทุกขังอนิจจงอนัตตาแต่องคหลวงตามหาบัวท่านสอนว่านิพานไม่ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตาทำให้บุคคลที่ฟังธรรมเกิดความสับสนอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องนี้ด้วยครับเราไม่อยากจะเข้าไปอย่าศึกกับช้างสองตัวใหญ่ๆเราเป็นหนูั้นขอผ่านอ่า เรื่องของช่างสองตัวเราเป็นแค่หนูพุทธทาสท่านก็เป็นช่างตัวหนึ่งหนูงตาท่านก็เป็นช่างอีกตัวหนึ่งเรามันเป็นระดับหนูปัญญาระดับหนูนี่ไปสู้ปัญญาระดับช่างไม่ได้งั้นอย่าไปยุ่งถ้าเมื่อเรายังไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนดีกว่าอออย่าไปไปปฏิบัติเธรรมมากเป็นสันติทิโกอยากจะรู้จริงเห็นจริงไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็รู้จริงเห็นจริงเอง เหมือนกับคนตาบอดที่ทำช้างให้มันลืมตาใช่ก็หมดเรื่องจะได้มามาเถียงกันคนหนึ่งก็ว่าเป็นห อ, อ ก, นนกอีกคนก็ว่าเป็นงูอีกคนก็เป็นหาง่ลืมตาสิเปิดตาขึ้นมาดูแล้วเดี๋ยวมันก็รู้เองมันถูกด้วยกันทุกคนแต่มันไม่ถูกบริบูรณ์มันไม่ถูกถูกแบบครบร้อยเปอร์เซนตถูกกันส่วนๆ น, นั่นเอง แาร<ม>เรื่องของครูบาอาจารย์นี้อย่าไปก้าวไก่จะดีกว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราเป็นผู้น้อยปัญญาเราไม่ถึงระดับของท่านที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ได้คำถามจากคุณสมชัยน้อมนำเสียงสวดมนมาเป็นสมาธิได้ไหมครับโดยที่เราไม่ได้สวดตามไปแต่เอาจิตเกาะไว้ที่บทสวดครับได้ก็เหมือนฟังธรรมฮะฟังธรรมก็เป็นเหมือนบทสวดมนอย่างเป็นภาษาที่เราเข้าใจ ส่วนบทสวดมนเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นใจเราก็จะสงบได้คําถามสักคุณโรชนะเราไม่ควรใส่ใจในกายเพราะเราบังคับกายไม่ได้หรือวันหนึ่งเราต้องทิ้งมันไปเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใส่ใจในกายมากปล่อยไปตามเราแค่ดูถูกไหมครับก็มันมีสองระดับเนาะเรามีหน้าที่ต้องดูแลนั่งกาย ก็ดูในในระดับที่เราทําได้เช่นอาบน้ําอาบท่ายล้างหน้าแปรงฟันไม่ใช่เมื่อร่างกายไม่ใช่เราดูแลไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไม่อาบน้ําอาบท่าไม่แปรงฟันไปไหนชาวบ้านเขาก็จะได้ไล่โหัวนั้นทําในส่วนที่เราทําได้ดูแลได้พอถึงระดับที่เราดูแลไม่ได้ทําไม่ได้ก็ปล่อยให้เขา เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะให้เขาหายเขาก็ไม่หายรักษาแล้วก็ไม่หายก็ต้องปล่อยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยถ้ายังทาอะไรได้อยู่ก็ทำไปแต่เป้าหมายก็คืออย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองทำก็ไม่ทุกข์ไม่ทำก็ไม่ทุกข์ คำถามจากคุณนัททำอย่างไรจะก้าวผ่านกิเลสทางใจได้เจ้าคะก็ภาวนาเนี่ยต้องปฏิบัติเจริญสติสมาธิและปัญญาคำถามจากคุณรัฐเวลานั่งภาวนาแล้วมีความรู้สึกว่าร่างกายมันหดเล็กลงครับแล้วจะทำอย่างไรต่อไปครับมันเป็นความรู้สึกที่มาหลอกเราไม่ต้องไปสนใจความจริงใครๆก็รู้ไม่มีร่างกายมันไม่หดมันไม่ขยายหรอกทางกายมันก็เท่าเดิมนั่งอยู่เท่าเดิม แต่ยพอเรานั่งแล้วจิตมันก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายหดบ้างขยายบ้างแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องจริงบางที่นั่งแล้วร่างกายลอยนี่มันก็มีมีปรากฏขึ้นมาในวงการ ป, รปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วจิตพอจิตสงบหรือจิตมีสติ ด, ดีจิตนิ่งร่างกายก็ลอยขึ้นมาได้ถ้าไปอ่านหนังสือประวัติหลวง หลวงปู่มั่นท่านกับหลวงตาท่านจะเล่าการนั่งสมาธิของหลวงปู่สาวท่านนั่งแล้วท่านรู้สึกว่าร่างกายของท่านลอยขึ้นไปอตอนต้นท่านก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจิตหลอกจิตร้อนหรือเปล่าท่านก็เลยเใช้อุบายเวลาก่อนจะนั่งท่านเอาใบไม้ไว้ใบหนึ่งไว้ในมือของท่าน แล้วเวลาท่านนั่งแล้วพอจิตลอยขึ้นไปเกิดจะถึงถึงหลังคาซึ่งเป็นบงญ่าแฝงยุงบงเนื้่านะมุงจากท่านก็เอาใบไม้นี้ไปเสียบไว้ที่ในซอกของหลังคาอแล้วพอท่านกลับมาออกจากสมาธิมาท่านก็ไปดูออกถ้าเห็นว่ามีใบไม้เสียบอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นความร้อนความหลอกของจิตเป็นความจริง เัืนอนบางอย่างเราก็อาจจะพิสูจน์ได้ของบางอย่างมันก็เป็นของหลอกก็อย่าไปสนใจเรื่องตัวใหญ่ขึ้นตัวหดลงนี่มันก็รู้กันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้คำถามจากคุณนัทพล ในชีวิตประจําวันผมจะกําหนดคําบริกรรมไว้แทบตลอดเวลาเช่นเวลาเดินไม่ว่าจะเดินช้าหรือเดินไวก็จะกําหนดไว้ตลอดเวลาว่าเดินหนอเดินหนอถ้านั่งเฉยๆก็จะกําหนดพูดโทพูดโทที่ลมหายใจเข้าออกพยายามรักษาศีลไว้ให้ครบทุกข้อไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยการกระทําของผมแบบนี้จัดเข้าในมัคมีองค์8หรือสติปัฐานสี่หรือไม่ครับพระอาจารย์ก็เป็นงานเจริญสติ ซึ่งขั้นต่อไปก็ต้องไปเจริญสมาธิต่อเมื่อมีสติแล้วก็ต้องนั่งหลับตาเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิอนิกะสมาธิหรืออปปนาสมาธิต่อไปคำถามสักคุณกุลาบลูกได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ทุกวันบางวันลูกก็ผ่านจากเวทนาไม่ได้บางวันลูกก็ผ่านได้แต่พอผ่านได้แล้วรู้สึกจิตเย็นและสงบเจ้าค่ะ เหมือนลูกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากการใช้ชีวิตประจาวันอย่างนี้ลูกมาถูกทางหรือไม่เจ้าคะถูกแล้วแล้วจิตสงบจิตเย็นก็ก็ถูกแล้วการปฏิบัติเมื่อให้จิตให้ใจเราใจเย็นเยนไม่รุ่มร้อนวูว่าไปกับสิ่งที่มากระทบกับจิตใจให้ใจลดความนักชางกลัวหลงลงไปตามลำดับจนไม่มีเลย คำถามจากคุณปริชาติการพยายามมองคนที่เรารักให้เป็นโครงกระดูเพื่อตัดความรู้สึกรักสมควรไหมเจ้าคะก็ทําได้ก็ทําไปแต่ละมันอุบายวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่จะคลายความยึดติดบางคนก็ดูโครงกระดูบางคนก็ดูซากศพมันแล้วแต่ว่าเราอันไหนที่จะถูกกับเราปล่อยวางได้ันั่นแหละคือเป็นวิธีที่เหมาะกับเรา คำถามจากคุณสง่าผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วจิตผู้นั้นอยู่ที่ใดครับพระอาจารย์อยู่ที่เดิมอยู่ที่จิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่เดิมคืออยู่ในโลกทิพย์นมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกับร่างกายร่างกายเรามีมีขนาดมีสูงต่ำวงแค่มีมันสามารถกิ่งไปกิ่งมาได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนู้นได้ แต่จิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดมันก็เลยไม่กิ้งไปกิ่งมามันเพียงแต่คิดไปคิดมาเท่านั้นเองคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็เหมือนนะ่ะคิดไปปุ๊บมันก็ไปถึงเลยคิดถึงกรุงเทพมันก็ไปแล้ะทั้งที่ร่างกายยังไปไม่ถึงใจมันไปถึงก่อนแล้วะมันก็ไปด้วยความคิดเอนั้นจิตมันไม่มีที่อยู่เหมือนกับร่างกายอยู่ในโลกทิพย์ทุกคนเอ คำถามสกุลบุญครองอยากทราบว่าการทำสมาธิการทำจิตไม่ให้นึกถึงทุกข์ไม่ให้นึกถึงสุขทำใจว่างเฉยแบบนี้ถูกไหมคะก็ให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันมีความสุขถ้ายังไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพียงแต่นึกหยุดความนึกคิดนี่อาจจะหยุดนึกคิดได้ชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะทาให้จิตนิ่งสงบ ทำให้จิตสกดความสุขเย็นสบายขึ้นมาก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆวิธีที่ดีสุดอย่าไปนึกคิดแบบนั้นดีกว่าให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานดีกว่าพุทโธรมโมสังโคการสวดมนต์อะไรทำนองนี้จะดีกว่าคำถามจากคุณมารวันพระไตรปิฎกเล่มไหนที่เราควรอ่านก่อนเป็นอันดับแรกเจ้าคะาาาก็ธรรมจักรนี่แหละอันแรกเป็นเป็น พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าธรรมจักรกับปวัตนาสูตรแสดงเรื่องอริยสัจสี่มรกคปดซึ่งเป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นรัฐถ้าเป็นกฎหมายก็เป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของกฎหมายของประเทศกฎหมายอื่นๆนี้ต้องออกมาจากรัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งไปขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ คำสอนของพระพุทธเจ้านี้คำสอนหลักก็คือธรรมจากกัปปวัตตนสูตรเนี่ยแล้วก็คำสอนอื่นๆก็ออกมาจากออกมาจากมรแปะนี้อีกทีหนึ่งค่ะำถามจากคุณอดคันนาพรชัยกระผมทำสมาธิตัวกระผมสั่นก ร, กระผมรู้สึกกำหนดรู้แต่ก็สั่นเหมือนเดิมและอีกอย่างลมหายใจหยุดหายกระผมควรทำอย่างไรขอรับ แสดงว่าไม่มีสติพอลุกขึ้นมาเดินก่อนนั่งแล้วสั่นก็ยังควบคุมไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาฝึกสติให้มีมากขึ้นก่อนถ้านั่งสั่นแล้วสแสดงว่าไปผิดทางคคำถามจากคุณวริน ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายมากแสดงว่าเขาไม่กลัวความตายใช่ไหมครับหากเป็นเช่นนี้สามารถฝึกจนถึงขั้นพระโสดาบันได้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ใช่หลอะเขาทุกข์มากเขาทนอยู่ไม่ได้ทนกับความทุกข์ไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นวิธีหนีความทุกข์ไปเท่านั้นเองช่วงนี้คนทุกข์กันมากคนตกทุกข์ได้ยากลำบากบางคนหาทางออกไม่ได้ก็เลยคิดฆ่าตัวตาย เขากลัวจะตายเป็นเรื่องความตายแต่เพียงแต่ว่าความทุกข์มันมากกว่าจนกระทั่งเขาทําให้เขาเห็นว่าความตายนี้มันทุกข์น้อยกว่าทุกที่กําลังมีอยู่เขาก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่าคําถามจากคุณนัทนั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้สักทีจะทําอย่างไรเจุกคะต้องฝึกสติก่อนต้องหัดท่องพุทโธ ท, ทั้งวันไปก่อนลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป ทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอยากคิดหยุดคิดดีกว่าให้มาคิดพุดโทโธพุโทโธแทนดีกว่าแล้วเวลามานั่งสมาธิก็จะนั่งได้ต่อไปคำถามจากคุณกัลยาความเข้าใจในธรรมชาตินี้จะตามไปชาติหน้าไหมคะหรือลืมหมดต้องเริ่มใหม่ถ้าเป็นความจำก็ลืมได้แต่ถ้าเป็นความจริงที่ฝังอยู่ในใจมันก็จะไม่ลืม ความชอบมันก็เป็นความจริงเราชอบอะไรเราชังอะไรนี่มันเป็นความจริงเจอกันข้างหน้ามันก็เจออะไรที่ชอบก็จะชอบเจออะไรที่ชังก็จะชังต่อ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิเรานั่งรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมคะว่าเวทนานิมิดวูบเข้าไปเรื่อยๆถอยออกมามากขึ้นหรือลงเราดูไปเรื่อยๆได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกเราไม่มีกำลังที่จะไปดูมันดูแล้วก็ทำอะไรมันไม่ได้นั้นให้มันมาสร้างกำลังด้วยสติดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วต่อไปถึงเข้าไปดูมัน ถ้ามีกำลังแล้วต่อไปเวลดามีอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันได้คำจัดมันได้คำถามสกุลพิรัตาเพิ่งนั่งเพิ่งฝึกนั่งสมาธิยังนั่งไม่ได้นานมีสมาธิบ้างไม่มีบ้างแต่อยากทราบว่าเวลาเรานั่งควรฝืนตัวเองนั่งให้นานที่สุดทนต่อความเจ็บปวดของร่างกายอันนี้ว่าถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็เหมือนการไปขุดทองอ่ะถ้าอยากจะได้ทองมากๆก็ต้องบังคับตัวเองให้ขุดมากๆาถ้าอยากจะได้ความสงบมากๆก็ต้องนั่งมากมากาต้องนั่งให้ถูกด้วยต้องมีสติมากๆด้วยคำถามจากคุณนัฐพลผมบวชเป็นเนในมหานิกายครับศึกษาบาลีถึงประโยคหกแล้ว ปีที่แล้วเกิดธรรมสัสงเวทขึ้นมาจึงอยากเลิกเรียนแล้วข้อทางปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ใจอยากปฏิบัติให้ถึงใจมากกว่านี้คือให้มันถึงพลิกถึงขิงแต่ครูบาอาจารย์ผมท่านอยากให้ผมเรียนบาลีต่อและปฏิบัติไปด้วยอยากทิ้งทั้งสองอย่างนี้ผมควรทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งผ่อนใช่ไหมครับอยากให้พระอาจารย์แนะนาผมด้วยครับก็ถามใจตัวเราเองดีกว่าใจเราต้องการไปทางไหน เราก็ไปตามทางใจของเราแต่ถ้าถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกไปปฏิบัติดีกว่าพระเจ้าเคยบอกพระที่เรียนจบบาลีว่าเป็นใบลานเปล่าโพธิรัตโพธิรัตเธอเป็นใบลานเปล่าถ้า อ, อยู่ไปเปล่าเปลกินนอนไปเปล่าเปล่าายไปเปล่าเปลไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากการเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ ไปพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยไปหาสแสวงหาสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปฝากตัวกับสัมมณี เ, เพราะไม่มีพระรูปอื่นเขารับให้เป็นอาจารย์แต่อาจารย์แต่สั ม, มเณีนี้เป็นเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้อาจารย์เป็นสั ม, มเณีแต่เป็นพระอรหันต์มาสอนจนบรรลุปเป็นพระอรหังต่อไปคําถามจากคุณประกรณ์ นั่งสมาธิอานาปานสติรู้สัมผัสที่ปลายจมูกพอนั่งไปนานๆกลายเป็นรู้ตัวทั่วลมหายใจเบาจนหายไปควรกลับไปเน้นรู้สึกที่ปลายจมูกหรือรู้ตัวทั่วครับเนืออยู่ที่เดียวเนะืออยู่ที่ปลายจมูกดูลมอย่างเดียวอย่าไปที่อื่นนะ คำถามสกุลพาดากระผมชื่อโอ๊ตครับผมนั่งสมาธิแล้วเพ่งที่ร่างกายกำหนดจิตเป็นไฟเผาอย่างที่พระอาจารย์เคยแนะนามีวันหนึ่งกายร้อนมากเหมือนจะไหม้ผมกลัวก็เลยออกจากสมาธิผมควรไปต่ออย่างไรครับมันก็บอกว่าเราถูกหลอกครับมันไม่ได้เป็นไฟที่เผาร่างกายเป็นไฟที่เรากำหนดขึ้นมาในจิตเป็นภาพเพื่อที่จะเป็นเหมือนมิตร ที่จะใช้เป็นอุบายของการทำใจให้รวมเป็นสมาธิทนั้นเองอคำถามจากคุณนาวีเวลาทุกวันนี้จะนอนคือวันพระจะไม่มีกลางวันกลางคืนจะเป็นทุกวันพระเราควรแก้ไขอย่างไงเจ้าคะไม่ทราบเป็นงไงไม่มีกลางวันกลางคืนคือไม่นอนจะไม่ในวันพระหรือนอนไม่หลับ เขาบอกไม่มีกลางวันกลางคืนเขาบอกแค่เนี้ยคาพระจานทร์ท่านน่ะสิมันก็แปลกเพราะทุกวันมันก็มีกลางวันกลางคืนไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่มีวันพระงั้นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจความหมายก็ต้องอธิบายฟังหน่อยว่าคนหมายความว่าไงไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะมันทุกวันมันมีกลางวันกลางคืนอยู่แล้วมันน่าเลยอ่าอ่